เท้าสักกะมาให้โชคขณะที่คุณหลวงเล่าเรื่องเทวดาที่กุติหลวงตาให้อ่อนฟังอ่อนก็นึกไปถึงเรื่องที่อ่อนได้พบที่วัดป่าบ้านตาดในเขตอุบาสิกาเมื่อไม่นานนี้คือเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอ่อนมีแคร่เล็กๆที่ทําขึ้นมาโดยหามุมสงบๆที่ไม่มีใครเขานึกถึงขึ้นวันหนึ่งอ่อนนั่งทําสมาธิอยู่ที่แคร่จนดึกแล้วจึงพัก ล้มตัวลงนอนโดยตั้งจิตนิ่งบอกกล่าวกับเทพเทวดาทั้งหลายว่าอ่อนเพลียแล้วขอพักาธาตุขันก่อนเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาภาวนาใหม่แล้วอ่อนก็หลับไปเลยหลับไปได้สักสามชั่วโมงตื่นมาอีกทีตีสามก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อนั่งไปอีกสักพักใหญ่พอจิตรวมนิ่งดีแล้วอ่อนก็ได้เห็นเทวดามากมายแต่งองค์ทรงเครื่องล้วนสวยงามแปลวพราวสว่างสวย เรื่องทรงอลังการวิจิตพิสดารมีทุกสีสันแต่และสีดูงดงามสะดุดตาไม่เคยพบเคยเห็นเลยเทวดาท่านมาปรากฏตรงหน้าอ่อนห่างจากที่อ่อนนั่งประมาณสองวาท่านมองมาทางอ่อนองค์ท่านลอยสูงจากพื้นพอสมควรประมาณสักศอกเห็นจะได้สง่างามมากมีรัศมีเป็นแสงนวลสว่างรอบองค์ จนแคร่ของอ่อนสว่างสวัยไปหมดเป็นแสงที่นุ่มนวลเย็นตาก่อเกิดความอิ่มเปิบในจิตขณะเห็นจิตของอ่อนไม่ได้ตื่นเต้นลิงโลแต่อย่างใดเพียงแต่รู้สึกมีความสุขอ่อนมองท่านในจิตพยายามเก็บทุกรายละเอียดของท่านและความรู้สึกที่ได้พบท่านท่านยืนถืออาวุธสั้นคล้ายคทาอยู่ที่ระดับอกและอีกมือหนึง่งถืออาวุธที่เรียกว่าวัชิระ มีลักษณะเช่นเดียวกับคทาแต่ยอดเป็นแฉกสามแฉกคล้ายกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนวชิราวุธปลายด้านบนเป็นรูปดาบมีกิ่งยื่นออกมาสองข้างสีทองทั้งหมดดูสวยงามสมกับเป็นอาวุธของท่านเท้าสักกะซึ่งเป็นเทพสูงสุดหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระอินเป็นวชิระที่มีความสวยงามวิจิตรมาก อ่อนถามท่านในจิตว่าท่านเป็นใครอ่อนไม่รู้จักท่านตอบมาในจิตของอ่อนในทันทีว่าเราคือเท้าสักกะเทวราชกล่าวจบแล้วท่านก็ลอยไปประคององค์หลวงตาที่กุติและมีเทวดาอีกองค์คอยตามท่านไปและที่อัศจรรย์ก็คือท่านใดเมตตาให้อ่อนเห็นตัวเลขตัวใหญ่ๆ914และ514พร้อมกับสั่งอ่อนว่า ให้ไปซื้อกับผู้ชายแก่ๆใส่เสื้อสีเทาพอออกจากสมาธิอ่อนต้องรีบจดเอาไว้ตามที่ท่านสั่งแต่ในใจคิดว่าอ่อนกล้าหรอือที่จะไปยืนซื้อเลขเพราะอ่อนไม่เคยทำอ่อนมีความละอายอ่อนรู้สึกอายจึงไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกทั้งกลัวหลุมตาดุดด้วยจังหวพะพอดีมีคนรู้จักคนหนึ่งไม่ได้แก่ตามที่ท่านเท้าสักกะบอกหรอกแต่ใส่เสื้อสีเทา เขาเดินมาพอดีจึงขอให้เขาช่วยไปซื้อหวยใต้ดินเอาเงินให้เขา300บาทบอกเลขตามที่ได้มาให้จัดการซื้อให้ด้วยอ่อนไม่เคยซื้อซื้อไม่เป็นเขาก็ไปจัดการตามที่ขอร้องพอได้สลากมาก็ไม่ได้สนใจเก็บเงียบไว้เลยแม้แต่พี่ตึงก็ไม่ได้บอกใจเต้นตุมต้มๆต่อมๆ ต, ตลอดตั้ง300บาทกลั้นใจเกือบตาย